บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในอาณาปานสติกรรมฐานคือกรรมฐานที่ว่าด้วยการตั้งสติกำหนดระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกที่พระภูมีพระภาคจาทรงแสดงอณิสงไบ โดยอนเนกกปริยายดังที่เคยกล่าวมาแล้วนั้นอณนนิสง์นอกจากที่กล่าวแล้วตัวอนาปานสติก ร, รมฐานเองเป็นกรรมฐานที่ทรงแสดงชี้แจงไว้ในที่ต่างๆเป็นนั้นมากทำให้บุคคลได้ <c oughs> ยึดถือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติ การแพร่หลายถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็จะได้หลักว่าเนื่องจากอนาปานะคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นตัวปราณหรือตัวชีวิตที่เรียกว่ากายสังขารคือตัวที่ปรนปรือร่างกายของบุคคลให้ดำรงอยู่ ชีวิตของบุคคลดำรงอยู่และเจริญเติบโตได้นั้นมีลมหายใจเป็นหลักสําคัญในขณะเดียวกันตัวลมหายใจนั้นก็เป็นกายอย่างหนึ่งในกลุ่มของกายการเรียนรู้ทําความเข้าใจเรื่องของลมหายใจชื่อว่าเป็นการหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกายและความรู้ที่เกิด จากลมหายใจเข้าออกนี้เองจะนำบุคคลไปสู่ความรู้ถึงกายทั้งสิ้นและเป็นบันไดที่จะนำให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในตัวเวทนาในจิตและในธรรมซึ่งเมื่อรู้ด้วยประการทั้งปวงแล้วชื่อว่ารู้อย่างแจ่มแจ้ง สามารถปล่อยวางความยึดความจิตในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมออกไปได้จิตเป็นอิสระจากกายเวทนาจิตธรรมเหล่านั้นอยู่เหนืออำนาจของกิเลสและอำนาจของอารมณ์ซึ่งปกติวิสัยของบุคคลทั่วๆไปจะต้องตกอยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านั้น ประการที่สองอนาปานาสติกรมฐานเป็นกรรมฐานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้เป็นหลักในการปฏิบัติตอนต้นจนดำเนินขึ้นไปตามลำดับและได้สั์สรูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดประการที่สามเนื่องจากจริตหรือพื้นอัทยาศัยของบุคคล มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปคนที่เป็นราคาจริตจิตมักจะตกไปในเรื่องฝ่ายขันต้องการปรารถนาสิ่งที่สวยสวยงามคนที่โทสะจริตมักจะนึกคิดไปในเรื่องที่ไม่ชอบใจไม่ยินดีจนก่อให้เกิดเป็นความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาคนที่เป็นโมหจริต ก็จะนึกน้อมไปในลักษณะที่ช่วงของความคิดไม่ค่อยประติดประต่อเป็นอาการเรื่อยไปหรือเลื่อนหลายไปของจิตคนที่เป็นพุทธิจริตมักจะคิดไปในเรื่องที่ใช้เหตุใช้ผลใช้หลักวิชาความรู้ต่างๆคนที่ศรัทธาจริตปักใจในเรื่องอะไรฝังใจในเรื่องอะไรก็จะเกิดคิดนึกถึงเรื่องเหล่านั้น ด้วยความประทับใจด้วยความศรัทธาคนที่วิตกจริตอาการของความคิดก็จะสายไปในอารมณ์ต่างๆหาความสงบไปได้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องโน้นอยู่เรื่อยไปลักษณะของจริตทั้ง6ประการที่กล่าวนั้นยังไงก็เป็นเรื่องของความคิดจะคิดเรื่องสวยๆงามๆคิดเรื่องที่ไม่ดี หรือคิดเรื่องที่มีเหตุมีผลก็ตามเป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นอานาปาณสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่เหมาะแก่คนซึ่งมีวิตกจดิตคือมากไปด้วยความคิดเป็นคนคิดมากควบคุมอารมณ์ของตนไว้ไม่ได้ดังนั้นเมื่อคนแต่ละจดิตมีความคิดหนักไปในแต่ละส่วนของพื้นจดิตแห่งตนแล้ว อาณาปานสติกรรมฐานจึงสามารถก่อให้เกิดความสงบแก่บุคคลจริตต่างๆซึ่งได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติประการที่สคนที่ปฏิบัติในอาณาปานสติกรรมฐานแล้วนิมิตคือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นจะไม่มีสิ่งอะไรน่ากลัว แต่จะมีเป็นนิมิตคือภาพที่ปรากฏภายในจิตสวยงามเป็นพวกสีเป็นพวกแสงที่ไม่อาจจะเห็นได้ด้วยตาธรรมดาเป็นต้นและยิ่งไปกว่านั้นกรรมฐานบางข้อที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายบางคราวผู้ปฏิบัติไปแล้วเกิดมีปัญหา โดยขาดหลักที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบขายทำให้หลงทางในการประพฤติปฏิบัติเกิดความสูญเสียขึ้นมาก็มีเช่นคราวหนึ่งทรงแสดงเรื่องกายกตาสติให้พินิษพิจารณาความปฏิกูลของร่างกายภิกษุท่านพิจารณาไปจนเกิดขยะขยงเกิดความรังเกียจในร่างกายของตน มีความรู้สึกคล้ายๆกับเอาซากศพมาแขวนคอไว้จนถึงกับฆ่าตัวตายจ้างคนอื่นให้ฆ่าตัวและจนถึงกับมีคนรับจ้างฆ่าพระทําให้มีการสูญหายล้มตายกันเป็นอันมากเมื่อพระภูมิพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องนั้นก็เสด็จมาแสดงอนาปานาสติกรรมฐานให้ท่านเหล่านั้นบําเพ็ญเจริญภาวนาไป ในที่สุดก็บรรลุมรรคผลกันตามอํานาจแห่งบารมีที่แต่ละท่านได้สร้างสมบรูรม์ไปอานาปานสติกรรมฐานมีผลมีอานิสงส์อย่างที่กล่าวอันนี้คนจึงนิยมประพฤติปฏิบัติกันมากและมีหลักปฏิบัติข้อปรีกย่อยมากเป็นพิเศษกว่ากรรมฐานข้ออื่นเฉพาะในที่นี้จะกล่าวในตอนแรก ที่เรียกว่าจจตุกะคือกลุ่มแรกในชั้นแรกนั้นได้ทรงเน้นไปที่กายวิเวก ค, คือให้สงัดกายเสยก่อนเพราะความสงัดทางกายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดความสงบทางจิตเพราะกายกับจิตมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันถ้าหากว่ากายไปเกี่ยวข้อง กับอารมณ์ที่จิตต้องไปเหนี่ยวนึกต้องไปดิ้นต้องไปแสวงหาแล้วความสงบทางจิตก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ไอ้ทรงแสดงว่าให้แสวงหากายวิเวก ค, คือสงัดกายได้แก่ความสงัดจากเสียงรบกวนหมายถึงสถานที่ประการหนึง่งและความสงัดทางอาการกายกับวาจา หมายความว่ากายกวาจาจะต้องไม่มีการกระทาบัพโดยอาศัยการรักษาศีลซึ่งเป็นตัวควบคุมกายกับควบคุมวาจาเอาไว้แล้วเมื่อเข้าไปในสถานที่นั้นแล้วก็ทรงสอนให้นั่งคูบัลลังตั้งกายตรงคู่บัลลังตั้งกายตรงนั้นก็หมายถึงนั่งขาดสมาธ เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาขวางทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติไวเฉพาะหน้าคำว่าดำรงสติไวเฉพาะหน้านั้นเป็นหลักในการกาหนดเอาสติเป็นตัวผูกจิตกับอารมณ์เอาไว้ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเองได้รับสั่งเอาไว้เป็นนั้นมากจ้นทรงแสดงว่า บุคคลใดสามารถท้ามจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวมีถ้ำคือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้แล้วบุคคลผู้นั้นจกพ้นจากบ่วงแห่งมานโดยทรงแสดงสภาพของจิตที่มีลักษณะดิ้นรนกวัดแหว่งเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆนั้นไว้ว่า บุคคลใดจกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่จะก่อให้เกิดความสงบได้จะต้องอาศัยความเพียรพยายามในการกระทำเพราะการยกจิตขึ้นมาในลักษณะนั้นเปรียบเหมือนกับการยกปลาขึ้นมาจากน้ำปลาเกิดเจริญเติบโตอยู่ในอะไรคือน้ำเช่นเดียวกับจิต ซึ่งเกิดเจริญเติบโตอยู่ในอะไรคือการมาุณได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระอนาคไรน่าปรารถนาหน้าพอใจปราที่บุคคลยกขึ้นจากน้ำโยมดินเพื่อจะกลับไปสู่น้าอีกเช่นใดใจที่บุคคลพยายามดึงมาจากอารมคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระที่ใจไปกำหนดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาน้าพอใจ ก็จะพยายามดิ้นกลับไปสู่อารมณ์เหล่านั้นอีกดังนั้นการตั้งสติไว้เฉพาะหน้าจึงถือว่าเป็นหลักที่ควรมีในเบื้องตน้นโดยท่านอุปมาการฝึกจิตเอาไว้ว่าเหมือนนายโคบานต้องการจะฝึกลูกโคโกงซึ่งเวลาตามปกติก็จะสนไปในอารมณ์ต่างๆหรือวิ่งไปในทิศ ต, ต่างๆ นายโคบาลจะต้องจับลูกโคมาล่ามไว้ที่หลักด้วยเชือกบางครา้งลูกโคที่ประยศหรือลูกโคโกงนั้นแกก็จะดิ้นวิ่งกลับไปกลับมาจนเชือกขาดนายโคบาลก็จะต้องผูกเชือกเขาอีกทรมานจนให้ละพยศคือความดื้อความโกงของโคเหล่านั้นแล้วในที่สุดลูกโคนั้นก็จะนอนสงบอยู่ที่หลัก ซึ่งนายโคบาลปกักเอาไว้การปฏิบัติกรรมฐานก็มีลักษณะอย่างนั้นตัวจิตซึ่งเปรียบเหมือนกับลูกโคนั้นจะดิ้นไปในอารมณ์ต่างๆการปฏิบัติกรรมฐานก็คือการนำเอาเชือกมาล่ามไว้ที่หลักคืออารมณ์ในที่นี้ก็ได้แก่ลรมหายใจเข้าออกซึ่งแน่นอนในชั้นของการปฏิบัตินั้นตอนแรกๆ บุคคลจะไปตั้งความหวังให้เกิดความสงบอย่างที่ตนต้องการก็เป็นไปไม่ได้เพราะความเคยชินของจิตความเสพคุ้นของจิตที่มีมาตลอดระยะกาลอันลาบนั้นการจะฝึกให้เกิดความยินดีในความส ง, งัดในอารมณ์ของกรรมาฐานในเวลาที่ตัวต้องการจึงทำได้ยากแต่ทั้งนี้ย่อมไม่เหลือวิสัย ของคนที่ใช้ความเพียรพยายามดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าเวลาพูดถึงการปฏิบัติกรรมฐานด้วยการฝึกจิตพระผู้มีพระภาคาจะทรงใช้คำว่าอบรมกระทาให้มากอยู่เสมอและตัวหลักจิตจริงๆก็คือไม่ประมาทมีความเพียรมีเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะสร้างความสงบให้เกิดขึ้นให้ได้ เพราะฉะนั้นเรื่องของการปฏิบัติจึงต้องอาศัยขั้นตอนที่ค่อยๆปรับจิตของตนเองให้มีความเคยชินกับอารมณ์โดยลำดับข้าวทำนองเดียวกับการนำไม้สุงหรือว่าท่อนเหล็กมาทำเครื่องใช้ต่างๆนั่นเองจะต้องพานกรรมวิธีต่างๆมาโดยลำดับ แต่ทุกครั้งที่ผ่านขั้นตอนมานั้นทำให้ไม้ท่อนนั้นมีคุณค่าสูงขึ้นเรื่อยๆเหล็กก็ทำนองเดียวกันจิตใจที่บุคคลได้ฝึกปรืออบรมมาตามแนวของอนาปานาสติกรรมฐานที่ทรงแสดงไว้ก็มีลักษณะอย่างนั้นดังนั้นในกลุ่มแรกหรือเรียกว่าในจตุกะแรกก็มีอยู่สี่ลำดับด้วยกัน เมื่อบุคคลนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไวเฉพาะหน้าแล้วก็ให้ตั้งสติระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเพื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวการจะหายใจยาวหรือสั้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคคล เป็นเรื่องปกติของลมหายใจตนเคยหายใจมาอย่างไรก็หายใจไปอย่างนั้นไม่ต้องไปเร่งหรือไปทวงให้ช้าเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วใจก็จะไปวักไปพวักพวบนอยู่ที่ร่างกายแทนที่จะสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่ให้ใช้สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามปกติธรรมดานั่นเองเป็นตัวกาหนดระลึก รู้ตามลมหายใจเข้าและหายใจออกไปในกรณีที่หายใจเข้ายาวก็รู้ตามลมหายใจเข้ายาวไปในกรณีหายใจออกยาวก็รู้ตามลมหายใจออกยาวไปในกรณีหายใจเข้าหายใจออกสั้นก็ให้รู้คําว่ารู้นั้นทรงใช้คําบาลีว่าประชานาติซึ่งแปลว่ารู้พร้อมหรือรู้ทั่ว ถึงก็หมายความว่าสติจะต้องอยู่กับลมจริงๆไม่เกิดความเผลอเรอหรือว่าสายคิดไปในเรื่องอื่นเป็นการคุมสติให้แนบอยู่กับลมหายใจเหมือนกับการขีดเส้นบรรทัดที่บุคคลจะต้องจรดปลายปากกาปลายดินสอให้ติดอยู่กับพื้นกระดานตลอดไป เพาถ้าหากว่ายกขึ้นยศลงเส้นบรรทัดก็จะไม่ติดต่อกันการกําหนดระลึกรู้ลมหายใจในชั้นทั้งสองชั้นนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นในชั้นต่อไปถ้าหากว่าตั้งสติกําหนดระลึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้แล้วก็ให้สําเนีย คือใช้สติและปัญญาประกอบกันรู้กายของตนรู้กายทั้งสิ้นของตนคำว่ากายทั้งสิ้นในที่นี้คือว่าเวลาบุคคลหายใจเข้าและหายใจออกนั้นจะพบว่าบางครั้งบางคราวลมหายใจที่หายใจไป น, นั้นกําหนดไม่ได้คือจะกําหนดได้ในจุดที่ลมกระทบ แล้วก็คล้ายๆจะหายไปไปปรากฏอีกทีหนึ่งในตอนปลายของลมในที่นี้ก็ให้กําหนดดูทั้งที่ต้นลมกลางลมและปลายลมคําว่าต้นลมต้นลมกลางลมปลายลมนั้นก็ขึ้นอยู่กับเวลาหายใจเข้าหรือหายใจออกตอนหายใจเข้าต้นลมก็คือปลายจมูกหรือริมฝีปากที่ลมกระทบกลางลมก็คือหัไทย ปลายลมก็คือเหนือนาพีขึ้นมาทีนี้ถ้าหากว่าตอนหายใจออกเหนือนาพีก็เป็นต้นลมนาทัยก็เป็นกลางลมปลายจมูกที่จุดซึ่งลมกระทบก็เป็นปลายลมท่านแสดงว่าเวลาหายใจตามปกตินั้นเมื่อกำหนดรู้หายใจเข้าออกยาวสั้นอย่างที่ว่ามาแล้วบางทีผู้ปฏิบัติจะกำหนดไม่เห็น จุดที่ลมกระทบบางจุดก็ให้มนตสิการดูที่ลมอยู่อย่างนั้นเองให้ระลึกตามลมไปเมื่อสามารถระลึกได้ทั้งที่กลางลมทั้งที่ต้นลมทั้งที่กลางลมและทั้งที่ปลายลมทั้งหายใจเข้าและหายใจออกแล้ก็ชื่อว่าเป็นการกำหนดรู้กายทั้งสิ้น คำว่ากายในที่นี้จึงเน้นเอาเฉพาะที่ลมเท่านั้นเองเพราะว่าลมก็คือกายส่วนหนึ่งเป็นการตั้งสติกำหนดให้ระลึกได้ตลอดทั้งสายคือไม่ให้ลมนั้นขาดไปในช่วงใดช่วงหนึ่งการปฏิบัติในช่วงนี้ท่านเรียกว่าอนุบัณธนาคือติดตามลมไป จนกว่าใจจะสงบอยู่กับลมหายใจเข้าและหายใจออกที่กำลังหายใจอยู่ <c oughs> แต่ยังไรก็ตามการตั้งจุดไปถึงสามฐานในลักษณะนี้เป็นการฝึกปรือกันในเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะจะให้เกิดความสงบจริงๆเป็นสมาธิจริงๆนั้นเกิดได้ยากเพราะอะไรเพราะว่า ใจจะต้องวิ่งกำหนดอยู่ถึงสามจุดด้วยกันแต่เป็นขั้นตอนที่บุคคลจะต้องผ่านเพื่อฝึกปรือให้เกิดความเคยชินของจิตใจทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตามปกติแล้วจิตแกมีอารมณ์มากอยู่ก่อนการที่จะดึงแกให้สงบทีเดียวจึงทำได้ยากก็กำหนดให้มีอารมณ์อยู่ถึง3ามจุด เป็นการสร้างความเคยชินใหม่ให้แก่จิตเข้าตำนองเดียวกับการที่บุคคลไปตักปลาเงินปลาทองมาจากบ่อที่เลี้ยงปลาทหากว่านิ่งๆจะจับแกขึ้นมาจากน้ำโดยไม่มีน้ำอยู่เลยแกก็ต้องดิน้นแต่ทหาว่ามีภาชนะขนาดเล็กมีน้ำเหมือนกันแต่เล็กกว่าตัแกแกก็จะมีความเคยชินอยู่กับน้ำใหม่นั้น ไม่ดินจิตก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อก่อนแกมีอารมณ์มากเราก็ดึงมาให้อยู่ที่อารมณ์สามอย่างซะก่อนคือต้นลมกลางลมและปลายลมเมื่อเห็นว่าจิตชักจะคุ้นเคยกับลมหายใจเข้าและหายใจออกที่ผ่านมาถึงสามช่วงแล้วผู้ปฏิบัติก็จะสัมผัสผลประการหนึ่ง คือลมหายใจจะเริ่มละเอียดอ่อนลงโดยลําดับที่ท่านเรียกว่าสันโตสงบ ป, ปณีโตประณีตนั่นเองและลมหายใจที่ละเอียดประณีตลงไปโดยลําดับนั้นแสดงถึงการรวมตัวของจิตแนวแน่ๆอยู่ในอารมณ์ซึ่งกําลังปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นๆจนถึงบางครั้งบางคราว ปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาคำว่านิมิตนั้นคือสิ่งที่บุคคลเห็นทางทางที่หลับตาเป็นภาพที่ปรากฏในขณะหลับตาบางคราวจิตก็จะวิ่งไปสงบอยู่ที่นิมิตเหล่านั้นไปชื่นชมอยู่ที่นิมิตเหล่านั้นถ้าหากว่ามีนิมิตไประลึกอยู่ที่นิมิตเหล่านั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกัน แต่ว่าในชั้นนี้ทรงสอนให้บุคคลรู้สิ่งที่เรียกว่ากายสังขารคือความสงบระงับของกายสังขารคําว่าสงบระงับก็คือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอ่อนลงตามลําดับนั่นเองจนบางคราวอาจจะรู้สึกว่าไม่หายใจในจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่ท่านได้แนะนําเอาไว้เป็นอันมาก เพราะกลัวว่าผู้ปฏิบัติจะเกิดตกใจคิดว่าตัวเองจะตายเพราะไม่หายใจและจะเลิกบำเพ็ญเพียรเสียท่านในรู้ว่าลมหายใจนั้นยังมีอยู่ไม่ได้หายไปไหนแต่เนื่องจากความประนีตที่ผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับทำให้ลมหายใจคล้ายๆจะหายไปท่านอุปมาเหมือนกับคนที่เลี้ยงโคเมื่อโคของตัวหายไป ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตามที่ใดโคเคยลงดื่มน้ำในท่าใดก็ไปดักคออยู่ที่ท่านั้นก็จะพบโคของตัวเองชั้นใดก็ดีผู้ปฏิบัติมาถึงขั้นที่ใจมีความสงบระงับลมมีความสงบระงับจนบางครั้งลมหายไปไม่ต้องไปตกใจโดย ถ้าหากว่ายังมีความตกใจอยู่ก็ให้มานักสิการเฉยใหม่คือคิดเฉยใหม่ว่าในการที่เราไม่มีลมหายใจนั้นเราเป็นอะไรก็จะพบว่าเราไม่อยู่ในกลุ่มของคนที่ไม่หายใจเพราะคนที่ไม่หายใจนั้นก็คือคนที่ตายคนที่อยู่ในนิโรธสมาบัติแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ทั้งสองอย่าง เพราะฉะนั้นลมหายใจนั้นยังมีอยู่ก็ให้กําหนดระลึกรู้อยู่ในจุดที่ลมกระทบนั่นเองโดยไม่ต้องไปคิดไปตกใจอะไรทั้งนั้นตั้งสติระลึกอยู่ในจุดที่ลมเคยกระทบก็คล้ายๆกับท่าที่โคเคยลงดื่มน้ําแล้วในที่สุดลมหายใจก็จะปรากฏขึ้นเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าตัวเองยังไม่ตาย แต่ว่าได้ผ่านขั้นตอนการปฏิบัติมาแล้วโดยลำดับซึ่งควรจะปลูกฉันทะอุตสาหะที่จะสัมผัสผลอันเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตที่สูงสูงขึ้นไปเพราะมาถึงชั้นนี้เป็นเพียงชั้นที่สี่แห่งการปฏิบัติเท่านั้นยังมีความสงบยังมีความประนียยังมีธรรมะที่ตนจะต้องละเรียนอีก จะต้องทำความเข้าใจอีกเป็นอันมากในขั้นตอนเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะจำแนกไว้เป็นหลายขั้นตอนก็ตามแต่ถ้าหากว่าพื้นอัตยาสัยของบุคคลมีความยินดีมีชันทะในความสงบได้เคยฝึกปรือกันมาแล้วก็จะถึงจุดที่กายจสังขารคือลมหายใจสงบได้ในเวลารวดเร็ว และในจุดนี้เองบางครั้งบางคราวผู้ปฏิบัติจะพบว่าพอถึงจุดนี้จิตจะไปพักคือไปสงบอยู่เฉยๆไม่ยอมขยับตัวไปไหนเลยที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นได้ในคนผู้ปฏิบัติทั่วๆไปกันเข้าในทำนองคนที่เดินมาร้อนๆแล้วไปแวะพักในที่ร่มก็จะติด ในความร่มเย็นเหล่านั้นไม่ยอมออกมาไอความติดเหล่านั้นมันเกิดฝังใจยอยู่เวลาปฏิเวลาเดินไปก็จะติดอยู่ในที่สงบอยู่ด้วยไปซึ่งก็ในชั้นของผลแล้วก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าบุคคลจะต้องเข้าใจว่าผลที่สูงขึ้นไปกว่านั้นยังมีก็ต้องพยายามกำหนดพินิษฐ์พิจารณา เพื่อจะดึงจิตที่เข้าไปสงบไปพักอยู่อย่างนั้นออกมาแล้วดำเนินการปฏิบัติกำหนดระลึกกำหนดพิจารณาในชั้นต่อไปในจตุกะทั้งสีนี้ถือว่าเป็นขั้นที่จะต้องดำเนินมาโดยลำดับส่วนการสเสมีกรู้กายกายทั้งปวงคือรู้กองลมและรู้ความสงบ แห่งกายสังขารนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการตั้งสติระลึกดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกยาวสั้นเมื่อสติแนบแน่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกดังที่กล่าวแล้วผลอีกสองขั้นก็จะติดตามมาโดยลําดับซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เหมาะให้ควรแก่กรณีนั้นๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบ ซืบต่อไป